นะโมทัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก่ อ, อ น, นอบนอบ้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้น ฟังธรรมคำพุท ธ, ธะท่านพระนนตระได้สดับฟังมาแล้วอย่างนี้ว่าในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเบรุวันอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตเกตพรนตะนทครราชฤกษ์สมัยนั้นแลสมานุเทศคือสามเณรชื่ออาจีรพัตต์นามสกุลอคิเวสนะ อยู่ในกระท่อมในป่าครั้งนั้นพระชกุมารเสยเสนะชงพระดำเนินทอดพระเนตรเที่ยวเล่นไปโดยลําดับเข้าไปหาสามเณรอจิรวตตอักิเบสนะถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้ตรัสทักทายปราศัยกับสามเณรอจิรวตตอักิเบสนะนั้นครั้นผ่านคําทักทายปราศัยพอให้ระลึก ถึงกันไปแล้วได้นั่งประทับนะส่วนที่ขวัข้างหนึ่งพระราชกุมารเสยเสนะได้รับสั่งกับสามเณรอจีรวตาอัิเวสนะอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านอคิเวสนะผูดเจริญข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้ว่าภิกษุในธรรมว้นไหนนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปในธรรมอยู่ พึงสำเร็จเอกคตาจิตได้สามเณรอจิรวตตอัิเวสนะได้ถวายพ ร, ระพรว่ามหาปิฏข้อ น, นั้นถูกแล้วถูกแล้วพิสูจนในธรรมมาไวในนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปในธรรมอยู่พึงสําเร็จเอกคตาแห่งจิตได้ดีละถ้าอย่างนั้นขอท่านอคกิเวสะนะโปรดแสดงธรรม ที่ได้สดับตามที่ได้ศึกษามาแก่ข้าพเจ้าเถิดมหาปิฏฐอาตมาภาพมามไม่สามารถแสดงธรรมที่ได้สดับตามที่ได้ศึกษามาแก่พระองค์ได้เพราะถ้าอาตมาภาพถึงแสดงธรรมตามที่ได้ศึกษามาแก่พระองค์พระองค์ไม่ทราบอัตตแห่งพาสิกของอาตมาภาพได้ข้อนั้นจะเป็นความยากเป็นความลําบากของเรา ขอท่านอักิเวสณนะโปรดแสดงธรรมตามที่ได้สดับมาแก่ข้าพาเจ้าเถิดบางทีข้าพเจ้าจะพึงทราบอัฏฐแห่งภาสิทธิ์ของท่านอักิเวสณนะก็ได้ท่านราชกุมาอรอารมภาพจะพึงแสดงธรรมตามลำดับตามที่ได้ศึกษามาถ้าพระองค์ทรงทราบ อ, อัฏฐะแห่งภาสิทธิ์นั่นก็จะเป็นการดีถ้าไม่ทรงทราบขอพระองค์พึงนำรง อยู่ในภาวะของพระองค์ตามที่ควรอย่าได้ซักถามคาถามกับธัรมาภาพในธรรมนั้นให้ยิ่งขึ้นไปเลยขอท่านอคิเวสนะโปรดแสดงธรรมตามทีไม่ได้ศึกษามาได้ศึกษามาเถิดถ้าข้าพเจ้าทราบอัตตะนั่นก็จะเป็นการดีถ้าไม่ทราบข้าพเจ้าก็จะดำรงอยู่ในภาวะของตนตามที่ควรข้าพเจ้าจะไม่ซักถามท่านอคิเวสนะ ในทำนั้นให้ยิ่งขึ้นไปหรอกในลำดับนั้นสามเณรอะจิราวตตะอะกิเวสนะก็ได้แสดงธรรมตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามาแก่พระราชนกุมารศิยเสนะเมื่อสามเณรกล่าวแล้วอย่างนั้นพระราชนกุมารศยเสนะได้ตรัสกับสามเณรอย่างนี้ว่า ข้าแต่ท่านอคิเวศนะผู้เจริญข้อที่พิสุไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่อย่างนี้จะพึงสาเร็จเอกคตาจิตนั้นนั่นไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะใช่ฐานะไม่น่าจะใช่โอกาสต่อจากนั้นพระราช ก, กุมารสยเสนะส่งประกาศว่ามไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสแก่สามเณรจอจิรวตัตตาอคิเวสนะ แล้วทรงลุกขึ้นจากอาศนะเสด็จหลีกไปกลางนั้นแลสามเณรอาชิรัตตะอคิเวสะนะได้เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลเรื่องราวที่ได้สนทนากับพระราชกมุมารชยเสนะในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านสามเณรอาชิรวตะอาคิเวสะนะอย่งนีว่า คิดไปนะพระราชกมุมารจะพึงได้ความข้อนั้นในบาสิ์ของเธอนี้แต่ที่ไหนข้อที่ความข้อนั้นเขารู้เขาเห็นเขาบรรลุเขาทำให้แช่งกันด้วยการหลีกออกจากกามแต่พระราชกุมารชยเสนะยังอยู่ท่ามกลางกามยังบริโภกกามถูกกามเคี้ยวกินอยู่ ถูกความเร่าร้อนประกามเผาร่อนอยู่ยังขวนขวายในการสแสวงหากรมจะทรงรู้หรือจะทรงเห็นหรือจะทรงทำให้แจ้งความข้อนั้นได้นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้อักขิเวสนะเปรียบเหมือนช้างที่คนฝึกหรือม้าที่คนฝึกหรือโคที่คนฝึกคู่หนึ่งที่เขาฝึกดีแล้วหัดดีแล้ว อีกคู่หนึ่งเขายัางไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดเลยอาคิเวสนะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรช้างที่ควรฝึกหรือม้าที่ควรฝึกหรือโคที่ควรฝึกคู่ที่เขาฝึกหัดดีแล้วนั้นอันเขาฝึกแล้วจะมีกิริยาอาการแห่งสัตว์ที่ฝึกแล้วนั้นได้อยู่ใช่หรือไม่ก็แต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นเป็นไปได้พระเจ้า้า อัิเวสนะส่วนช้างที่ควรฝึกหรือม้าที่ควรฝึกหรือโคที่ควรฝึกคู่ที่เขายังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้หัดนั้นอันเขายังไม่ได้ฝึกเลยจะเรียนกิริยาอาการถึงภูมิแห่งสัตว์คู่ที่ฝึกดีแล้วอย่างนั้นจะได้หรือไม่ข้อนั้นหาไม่ได้เลยพระเจ้าข้าอักิเวสนะข้อนี้ก็เหมือนกัน ข้อที่ความข้อนั้นเขารู้เขาเห็นเขาบรรลุกันทำให้แจ้งด้วยการหลีกออกจากกามแต่พระราชกุมารเสยสเยนะยังอยู่ท่ามกลางกามยังบริโภคกามถูกความคิดในทางกามเกี้ยวกินอยู่มีความเร่าร้อนเพราะกามยังขวนขวายในการสแสวงหากามจะทรงรู้หรือจะทรงเห็น หรือทรงกระทำไม่แจ้งซึ่งความข้อนั้นนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้อังกฤษนะหรือเปรียบเหมือนภูเขาใหญ่ไม่ไกลจากบ้านหรือนิคมสหายสองคนออกจากบ้านหรือนิคมนั้นไปยังภูเขาลูกนั้นแล้วจูงมือกันเข้าไปยังที่ตั้งแห่งภูเขาครั้นแล้วสหายคนหนึ่งยืนที่เชิงภูเขาเบื้องล่าง อีกคนหนึ่งขึ้นไปบนภูเขาสายที่ยืนตรงเชิงภูเขาด้านล่างเอ่ยถามสหายผู้อยู่บนภูเขาอย่างนี้ว่าน่เพื่อนเท่าที่เพื่อนยืนอยู่บนภูเขานั้นเพื่อนเห็นอะไรสายคนนั้นก็ตอบว่าเพื่อนเอ๋ยเราเห็นภูเขาแล้วเห็นสวนป่าไม้ปูมิภาคและสับโบกกรณีที่น่ารื่นรม ชายข้างางก็กล่าวอย่างนี้ว่าในเพื่อนข้อที่เพื่อนยืนอยู่บนภูเขาแล้วเห็นสวนป่าไม้ภูมิภาคและสาบบกกรณีที่น่ารื่นรมนั้นนั่นไม่น่าจะเป็นไปได้นั่นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสเลยในที่นั้นหายที่ยืนอยู่บนภูเขาจึงลงมายัางเชิงเขาข้างล่างแล้วจูงแขนชายคนนั้นให้ขึ้นไปบน ภูเขาลูกนั้นให้สบายใจครู่หนึ่งแล้วก็เอ่ยถามสหายนั้นว่าในเพื่อนถ้าที่เพื่อนยืนอยู่บนภูเขาแล้วเพื่อนเห็นอะไรสหายที่ขึ้นไปทีหลังนั้นก็ตอบว่าเพื่อนเอ๋ยเราเห็นภูเขาแล้วเห็นสวนเห็นป่าไม้ภูมิภาคและสถโบกรณีที่น่ารื่นรมสหายคนที่ขึ้นไปก่อน จึงพูดอย่างนี้ว่าสหายเอย๋ยความจริงท่านถูกภูเขาใหญ่ลูกนี้กั้นไว้จึงไม่แลเห็นสิ่งที่ควรเห็นดังนี้นี้ฉันใดอังกิเวสนะข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพระราชกุมารชยเสนะถูกกองอวิชาอันใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาลูกนั้นกั้นไว้บังไว้ปิดไว้กลุ่มไว้แล้ว พระราชกุมารชยเสยนนั้นแหลยังอยู่ท่ามกลางกามยังบริโภคกามถูกกามเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนพระกามเผาเอาอยู่ยังโขลนขวายในการสแสวงหากามจะทรงรู้หรือทรงเห็นหรือทรงทำให้แจ้งซึ่งข้อความที่เขารู้เขาเห็นเขาบรรลุเขาทำให้แจ้งกันด้วยการหลีออกจากกามนั้น นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้อกิเวสนะถ้าอุปมาสองข้อนี้เธอพึงทําให้แจ่มแจ้งแก่พระรชะาชกุมารชยเสนะได้พระรชะาชกุมารชยเสนะจะพึงเลื่อมใสเธอและเมื่อเลื่อมใสแล้วจะพึงทําอาการของบุคคลผู้เลื่อมใสต่อเธออย่างไม่น่าอัศจรรย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพระองค์จะทําอุปมา สองข้อนี้ให้แจมแจ้งแก่พระราชกุมารทิยาเสนะได้แต่ที่ไหนเล่าพระอุปมาอันน่าสะจัญยิ่งนะักข้าพระองค์ไม่เคยได้สดับมาก่อนเหมือนกันที่ได้สดับต่อพระผู้มีพระภาคนี้อักวิเวสนะหรือเปรียบเหมือนพระราชามาขัตริย์ผู้ทรงได้รับมูทฐาบิเศษแล้วตรัสเรียกพรานผู้ชำนานป่าช้างมาแล้ว รับสั่งว่ามานี่แน่พ่อพรานเพื่อนยากเธอจงขี่ช้างหลวงเข้าไปยังป่าช้างเห็นช้างป่าแล้วจงคล้องมันไว้ให้มั่นคงที่คอช้างหลวงเถิดพรานผู้ชํานาญป่าช้างรับสนองพระราช อ, องการแล้วจึงขึ้นช้างหลวงเข้าไปยังป่าช้างเห็นช้างป่าแล้วจึงคล้องไว้มั่นคง ที่ขอช้างหลวงช้างหลวงจึงนำช้างป่านั้นออกมาสู่ที่กลางแจ้งได้อคิเิสนะเท่านี้แหละช้างป่าจึงมาอยู่กลางแจ้งธรรมดาช้างป่าทั้งหลายยังหวงถิ่นคือป่าช้างอยู่พรานจึงกราบทูลเรื่องนี้แก่พระราชาวา่าข้าแต่พระรุ่งผู้เชิญช้างป่าของพระองค์มาอยู่กลางแจ้งแล้ว พระราชาจึงตรัสเรียกขวานช้างมาแล้วสั่งว่านี่นงะขวานช้างเพื่อนยากท่านจงฝึกช้างป่านี้จงแก้ไขปกติของสัตว์ป่าแก้ไขความนําริพลานของสัตว์ป่าแก้ไขความกโกรนกระวายความลำบากใจและความเร่าร้อนใจของสัตว์ป่าเพื่อให้ช้างป่าเชือกนั้นอภิรมในแดนบ้าน ให้บันเทิงในปกติที่มนุษย์ต้องการเถิดก่านช้างรับสนองพระราชโองการแล้วจึงฝังเสาตะลุงใหญ่ลงในแผ่นดินล่ามคอช้างป่าไว้มั่นคงเพื่อแก้ไขปกติของสัตว์ป่าแก้ไขความดำริพลานของสัตว์ป่าแก้ไขความการนกระวายความลำบากใจและความเร่าร้อนใจของสัตว์ป่า เพื่อให้ช้างป่าเชือกนั้นอภิรมในแดนบ้านให้บันเทิงในปกติที่มนุษย์ต้องการก่อนช้างย่อมเรียกช้างป่าเชือกนั้นด้วยวาจาซึ่งไม่มีโทษสนอสโสดชวนให้รักใคร่จับใจเป็นภาษาที่ชาวเมืองอันคนส่วนใหญ่ปรารถนาและชอบใจเห็นป่านนั้นในเมื่อช้างป่า อันควานช้างร้องเรียกอยู่ด้วยวาจาซึ่งไม่มีโทษเสนอโสดชวนให้รักใคร่จับใจเป็นภาษาที่ชาวเมืองเขาพูดกันอันเป็นที่น่าปรารถนาน่าชอบใจเห็นป่านนั้นแล้วช้างป่าเชือกนั้นจึงสำเนียกดีดีเงี่ยโสดลงสดับตั้งจิตเพื่อรับรู้ควานช้างจึงเพิ่มอาหารคือหญ้าและน้ำให้ช้างนั้นยิ่งขึ้น ในเมื่อช้างป่ารับอาหารคือหญ้าและน้ำของควานช้างควานช้างจึงมีความดำ่ริอย่างนี้ว่าคราวนี้ช้างป่าจะเป็นอยู่ได้ละจึงให้ช้างนั้นทำกิริยาขึ้นด้วยคำว่ารับพ่อทิ้งพ่อในเมื่อช้างของพระราชาเป็นสัตว์ทำตามคำ รับทำตามโอวาทของขวานช้างในการรับและการทิ้งขวานช้างจึงให้ช้างนั้นทำกิริยายิ่งขึ้นด้วยคำว่ารุกพ่อถอยพ่อในเมื่อช้างของพระราชาเป็นสัตว์ทำตามคำรับทำตามโอวาทของขวานช้างในการรุกและการถอยขวานช้างจึงให้ช้างนั้น ทำการที่ยิ่งขึ้นไปด้วยคำว่ายืนพ่อเท่าพ่อในเมื่อช้างของพระราชาเป็นสัตว์ทำตามคำรับทำตามโอวาทของขวานช้างในการยืนและการเท่าขวานช้างจึงให้ช้างนั้นทากิริยาที่ชื่อว่าอเนเชให้ยิ่งขึ้นไปคือผลูกโลใหญ่ เขาที่งวงช้างนั้นจัดบุรุษถือหอกซัดนั่งบนคอจัดบุรุษถือหอกซัดหลายคนยืนล้อมรอบและควานช้างถือของ้าวยาวยืนข้างหน้าช้างนั้นถูกควานช้างให้ทํากิริยาที่ชื่อว่าอเนชาอยู่จึงไม่เคลื่อนไหวเท้าหน้าไม่เคลื่อนไหวเท้าหลังไม่เคลื่อนไวนหไนไวกายเบื้องหน้า ไม่เคลื่อนไหวกายเบื้องหลังไม่เคลื่อนไหวศีรษะไม่เคลื่อนไหวหูไม่เคลื่อนไหวงาไม่เคลื่อนไหวหางไม่เคลื่อนไหว ง, ง, งวงจึงเป็นช้างหลวงที่ทนต่อการประหารด้วยหอกด้วยดาบด้วยลูกศรและเครื่องประหารของศัตรูอื่นทนต่อเสียงกึกก้องแห่งกลองใหญ่บรรดอสังและกล่องเล็ก กำจัดโทษคดโกงทุกอย่างได้หมดพยศย่อมถึงความนับว่าเป็นช้างที่สมควรแก่พระราชาอันพระราชาควรจะใช้สอยเป็นองค์อวัยวะของพระราชานิฉันใดอากิเวสนะก็ฉันนั้นเหมือนกันแล้ะฐาคกอุบัติขึ้นในโลกนี้เป็นผู้ไกลจากกิเลสปราสรูชอบได้โดยตนเอง ถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณนะเป็นผู้ดำเนินไปดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่าไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ตถาคตนั้น ทำให้แจ้งแล้วด้วยปัญญายิ่งเองสอนทั้งเทวดามารพรมหมู่สัตว์ทั้งสมณพราหมณ์ทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ทั่วแสดงธรรมอันไพเราะในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ด้วยพร้อมอัตตะและพิัญชนะขรรบดีหรือบุตรของขรรบดีใดผู้ที่เกิดในภายหลัง ย่อมฟังธรรมนั้นรันฟังแล้วย่อมได้ความเชื่อในจะฐาคตเขาประกอบแล้วด้วยความเชื่อนั้นเฉพาะอย่างจึงพิจารณาเห็นว่าคารวาะขับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นโอกาสบ้างเราผู้ครองเรือนจะประพฤติพรมาจันให้บริสุทธิ์บรุบุรณ์โดยส่วนเดียว เหมือนสังที่เขาขัดดีแล้วนั้นไม่ได้ง่ายเลยอยากกระนั้นเลยเราพึงปลงผมและหนวดคลองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเถิดสมัยต่อมาเขาก็ละโภคสมบัติน้อยบ้างมากบ้างละบงญาติใหญ่บ้างเล็กบ้างปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วของกิเวสนะเพียงเท่านี้เขาชื่อว่าเป็นอริยาสาวบกอยู่ในโอกาสอันว่างแล้วความจริงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยังหวงถิ่นคือการคุณทั้งห้าอยู่แต่าคตจึงแนะนำเธอน้นให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดเธอจงเป็นผู้มีศีล สมรวมด้วยปาติโมข์สังวรถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรอยู่จงเป็นผู้เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายอยู่เถิดอาิเวสนะเมื่ออริยาสาวกเป็นผู้มีศีลทั้งหลายเหล่านั้นอยู่แล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิด เราจงเป็นผู้กุ้มครองตะวันในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่คือเห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูจงอย่าได้ถือเอาโดยนิมิตและถือเอาโดยอนุพยัญชนะเป็นต้นดัะนั้นครั้นละนิวรณอันเป็นเรื่องเศร้าหมองใจทำบัญญัติให้ไหยกำลังเหล่านี้ได้แล้วย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียนเปลากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนกวานช้าง ฝังเสาตะลุงใหญ่ลงในแผ่นดินล่ามก่อช้างป่าไว้อย่างมั่นคงเพื่อแก้ไขปกติของสัตว์ป่าแก้ไขความดมฤทิ์พรานแก้ไขความกระวนกระวายความลําบากใจและความเร่าร้อนใจของสัตว์ป่าเพื่อให้ช้างป่าเชือกนั้นอภิรม์ในแดนบ้านให้บันเทิงในปกติที่มนุษย์ต้องการนิฉัด ขิกเวสนะข้อนี้ก็เชนั้นเหมือนกันสติปัฏฐานสี่นี่แหละชื่อว่าเป็นหลักผูกใจของอริยสาวกเพื่อแก้ไขปกติชนิดที่อาศัยบ้านแก้ไขความดุริพรานชนิดที่อาศัยบ้านแก้ไขความโกรนกระวายความลำบากใจและความเร่าร้อนใจชนิดที่อาศัยบ้านเพื่อบรรลุญาตยธรรม เพื่อทำนิพพานให้แจ้งได้ตาโกดนั้นจึงแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดเธอจงเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ตยาตริตรึกเข้าไปในความคิดที่เกี่ยวข้องกับกายเลยจงเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ตยาตริตรึกในความคิด ที่เข้าไปเกี่ยวกับเวทนาเลยเธอจงเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ตยาตริตรึกในความคิดที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตเลยเธอจงเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ตยาตริตรึกในความคิดอันเข้าไปประกอบกระทำเลยฉธอนั้นย่อมเข้าถึงตุติยาชฌาน อันมีความผ่องใสแห่งใจในภายในมีความเป็นธรรมอันเอกปุจมีขึ้นพระสงบวิตกและวิจารเสียได้ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ในต่อนั้นเพราะความจางคลายไปแห่งปีติย่อมเข้าถึงฌานที่สามเพราะความที่ละสุขและละทุกข์เสียได้ จึงเข้าถึงฌานที่4ีเป็นต้นเถอนั้นครั้นมีจิตบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศาจากอุปกิเลสเป็นจิตที่อ่อนโยนกวนแก่การงานตั้งมั่นอยู่อย่างไม่หวนไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อบุพเพนิวาสานุสติญาณเตอรระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในชาติก่อน ในพบก่อนได้หนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างเป็นต้นจากนั้นครั้นจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสถึงความไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วจึงน้อมจิตไปเฉพาะต่อจุดตูปปาตยานย่อมรู้เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบัต มีวันนะดีมีวันนะเลวได้ดีตกยากย่อมทราบชัดหมูสัตว์พูดเป็นไปตามกรรมเห็นป่านนี้ตะนั้นเมื่อจิตบริสุทธ์ปรองใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสขนมจิตไปชวะต่ออาสวะกายาญาณย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงในอริยสัตสี่ เธอเมื่อมีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ก็ย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมชนได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้เธอผู้นี้เป็นผู้อดทนคือมีปกติอดกลั้นต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหาย ต่อสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายอดทนต่อถ้อยคำอันหยาบกรายร้ายกลาดอดทนต่อเวทนาในสรีระที่เกิดขึ้นแล้วอันกล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจอันจวนจะนำไปเสียซึ่งชีวิตเธอเป็นผู้กาจัดราคะโทสะ โมหะทั้งปวงได้หมดกิเลสเพียงดังน้ำฝาดแล้วเป็นผู้ควรแก่การบูชาควรแก่การต้อนรับควรแก่การรับทักสีนาทานและควรทำอันชฉลี่เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าดังนี้อกิเวสนะถ้าช้างหลวงแก่ไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดล้มตายลงก็ชื่อว่า เป็นช้างหลวงแก่ล้มตายไปอย่างไม่ได้ฝึกถ้าช้างหลวงปูนกลางหรือช้างหลวงหนุ่มที่ยังไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดล้มตายลงก็ถึงการนับว่าเป็นช้างหลวงปูนกลางหรือช้างหลวงหนุ่มที่ล้มตายลงอย่างไม่ได้ฝึกอกิเบสนะข้อนี้ก็ใฉนั้นเหมือนกันพิกสูผู้เถระที่ยังไม่สิ้นอาสวะ ทำกาละลงก็ถึงความนับว่าเป็นภิกษุเทระทำกาละคือตายไปอย่างไม่ได้ฝึกถ้าภิกษุปูนกลางหรือปูนใหม่ที่ยังไม่ได้สิ้นอสวะรค์ทำกาละคือตายลงก็ถึงความนับว่าเป็นภิกษุปูนกลางและภิกษุใหม่ตายลงไปอย่างไม่ได้ฝึกอักิเบศนะถ้าช้างหลวงแก่ที่ฝึกดีแล้ว หัดดีแล้วล้มตายลงก็ถึงความนับว่าช้างหลวงแก่นั้นล้มตายลงอย่างฝึกแล้วถ้าช้างหลวงปูนกลางหรือช้างหลวงใหม่ที่ฝึกดีแล้วหัดดีแล้วก็ถึงความนับว่าช้างหลวงปูนกลางและช้างหลวงใหม่นั้นตายอย่างฝึกแล้วยังหัดดีแล้วข้อนี้ฉันใดภิกษุเทระ ที่สิ้นอาสวะแล้วทำการละลงก็ถึงความนับว่าภิกษุเทระทำการละคือตาอย่างฝึกแล้วแต่ภิกษุปูนกลางหรือผู้ใหม่สิ้นอาสวะแล้วทำการละลงก็ถึงความนับว่าเป็นภิกษุปูนกลางหรือภิกษุใหม่ที่ตาอย่างฝึกแล้วดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัส พุทธภาษิตนี้แล้วสามนเณรอจิรวตัตตะอคิเวสนะก็ชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า น, นั่นแหละฟังธรมคำพุทธะ